นาโมตัสสะภะคะวัตอะระหัตถสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวัตถอะระหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนาโม ตะพตาภะวะตูอราหะตูสัมมาสัมพุทธาขันติตัปโธสัพิโนตีปิณบัดนี้จะได้อธิบายในขันติคือความอดทน ให้เราทุกคนจงทิพนึกในทำการงานใดๆไม่ว่าทางโลกและทางธรรมต้องมีขันติความอดทนตลอดไปจึงได้สาเร็จเป็นผลประโยชน์ของตนในชีวิตที่ตนขึงตนทาไปเพราะฉะนั้น ที่ไม่มีขันติอันนั้นพปะเนกว่าเลอะและเหลวไหลไม่ได้อสตยเป็นหลักเป็นฐานประการ ใ, ใดไม่ได้รับผลประโยชน์สำฤรธจสงความตรานานของตนประการใดเดี๋ยวนี้ตัวของเราทุกๆคน ความเจตนาหนึ่งคอยข้ามีความสุขความสบายในการเกิดมาในโลกสองให้ตัวของข้านั่นเองได้ำํำเห็จมกขนต่อไปภายข้างหน้าอันนี้ละเรียกว่าความเจตนานั่นถูกต้องดี แต่การขันติของตนความอดทนที่จะทำให้ถูกต้องในความเจตนาของตนนั้นมันไม่สำเร็จมันไม่มีขันติมันไม่อดทนมันไม่ใช่ปัญญาใช่แต่ความอยากอย่างเดียว ไม่ได้กินแล้วก็เลยอย่าเลิกไม่เอาอันนี้นะพนเพลียว่ามันมีขันติธรรมดาที่เราสะสมสมบัติความดีคือบุญกุศลและธรรมะองค์ยานทั้งหลายมันต้องเป็นคนผู้อดทนขันติตลอดไปเป็นนิ จิตของตอนจึงตั้งอยู่ได้จิตจะตั้งอยู่ได้ต้องอาศัยบุญกุศลบุญอุปสนที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีขันติมีขันติแล้วต้องมีปัญญาทิจรณาว่าความดีชั่วประกันใดๆมีปัญญาแล้ว ยังมีศรัทธาอีกความเชื่อมั่นคงถาวรตั้งจิตตั้งใจยืนอยู่ตลอดเป็นนิดในสิ่งที่ตนของตอนนั่นเองที่จะทำให้สำเร็จสงความพาถนาอันนี้พิเ่เรียกว่าบุคคลผู้มีขันติตั้งใจของตอนแล้ว เป็นผลประโยชน์ในชีวิตนี้ในชีวิตหนา้าให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าขันตินี้แปลว่าอันสิ่งที่มันขัดข้องหนึ่งความเกลียดคร้นสองตอนของตอนนั้นอ่างโน่นอ่างนี้ไม่มีขันติอดทนตั้งใจของตอน ทำบรนดารรมสมบัติความดีประกันใดๆเพื่อเรียกว่าทาเป็นกิจวัตรเขาว่ากิจวัตรแปล ว, ว่าทาอยู่เป็นนิดในชีวิตของนตนไม่ให้ขาดตกบกพร่องทาไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิดอันนี้เราเรียกว่าคือขันติความอดทน ทำอยู่อย่างนั้นตลอดไปกิจวัตร อ, อนันต์พันวะทําทสิ่งนี้กิจวัตร อ, อนันต์สันวไม่ให้ขาดตกบกพร่องเราเคยไหว้พระอยู่ทุกวันเช้าเย็นก็ต้องไหว้พระเช้าเย็นอยู่ทุกวั น, วร เ, วนเราเคยมีชิ้นห้าเราก็ให้มีชิ้นห้าอยู่ตลอดกันไป ตัวเราเคยเจริญพิจารณาความเกิดความเก่ความเจ็บความตายสังขารร่างกายอันนี้แปลว่ามันเเนเน่นอนย่ำยืนถาวรประการใดเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาเป็นประจำของตนจึงได้ชื่อขันติความอดทนวิริยะ ความเพียรพยายามทำอยู่เสมอเป็นนิดตลอดไปหิริคือความละอายโอตปะความสะดุ้งกลัวเก็บบาปทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุขาของอะไรไม่เกิดเป็นบาปให้ตัวของเราอันนี้พันเราว่าหิรินความละอายสิ่งที่เป็นบาป เราไม่ทำโอตปะปความสะดุ้งกลัวเก็บบาปทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุขของประการใดนๆในไม่ให้เป็นมนทินไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นอกุศลไม่ให้เป็นความชั่วไม่เขียนอันที่พอมองมองให้กับจิตของตนบุคคลผู้ฝึกผล บุคคลผู้ตั้งใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปบุคคลผู้ทำอย่างนี้บุคคลนี้แปลว่าได้รับผลในชีวิตนี้ชีวิตนะ้ารับผลความสุขรับผลความสบายเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดไปสินิสอันนี้แปลว่าชีวิตที่เกิดมา เพิ่มแต่ความดีไม่เพิ่มความชั่วในจิตของตนธรรมดานร่างกายอันนี้ของสำหรับจิตเป็นผู้ใช้จะเกิดความดีจิตก็ใช้ร่างกายอันนี้จะเกิดความชั่วก็ต้องใช้ร่างกายอันนี้นี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตนของตน ให้เป็นคนอดทนต้องทำความดีตลอดไปในชีวิตของตนจึงจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยติดตามนำตัวของเราตลอดกันไปอันนี้เป็นวิวัฒฝึกผลเป็นนิสัยของตนตลอดไปเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงทิพอ่านให้ดีในชีวิตของตน เราไม่พึกผลไม่มีใครพึกผลให้เราเราไม่ละเว้นม่นมีใครจะละเว้นให้เราเราไม่ตั้งใจไม่มีใครจะมาตั้งใจให้เราเราต้องรู้เองเราต้องรู้จับเองเราต้องเข้าใจเองว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาเราต้องคิดอ่านต้องรู้จับพอ ในชีวิตของตนจึงไม่ขึ้นชั่วมนุษย์เทวะร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเกิดชีวิตใดตนของตนฝึกผลนิสัยปัจจัยให้ใจของเราเป็นเทวดาตลอดกันไปจึงได้ขึ้นชื่อว่าตัวของเราจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดา อยากเทวดาก็มาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อันนี้ละ่ะโลกโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีเกิดกับตายเป็นเทวดาเกิดขึ้นมาแล้วหมด อ, อายุก็ต้องหลุดลงมาเกิดในโลกเป็นมนุษย์แล้วหมด อ, อายุก็ต้องไปหาพิพกที่ความสุขของตนต่อไปอันความสุขจะเกิดนั้น ตนของตนเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีันติความอดทนเป็นคนมีวิริยะความเพียรพยายามทําความดีตลอดไปถึงนี้ให้เราทุกคนจงคิดจงอ่านจงพิมนิจจงพิจรารณาจงเข้าใจในชีวิการเกิดมาในโลกโลกอันนี้มีเกิดก็มีตายโลกอันนี้ มีดีกับมีชั่วโลกอันนี้มีบุญกับมีบาปโลกอันนี้แปลว่ามีความสุขและมีความทุกข์ให้เราทุกคนจงคิดเนึกว่าตัวของเราที่มาเกิดในโลกโลกอันนี้เป็นโลกที่สะสมความดีเป็นโลกที่สะสมความชั่วบุคคลมัวหมองแล้ว บุคคลนั้นต้องสะสมแต่สิ่งความชั่วคือบาปกรรมใดญจๆตลอดกันไปในชีวิตของตนโลกอันนี้บุคคลผู้มีปัญญาฝึกฝนกันมาแต่อเนกชาติเขาต้องละเว้นสิ่งความชั่วสะสมแต่ความดีคือบุญกุศลและธรรมะ ให้แกจิตของตนได้รับผลอยู่ตลอดสั่นไหจึงนี่นขึ้นตัวเกิดในโลกโลกที่พักผรอนคือโลกสวรรค์โลกที่คือทำการงานก็นคือโลกมนุษย์นี่เองนี่ให้เราทุกคนโลกน่าลบไม่ได้รับผลอะไรมีได้สวยความทุกข์ั้งแกสัตว์เอกสารลงไปถึงตกน่กลบ อันนี้พนันหลวโลกนรกโลกสวรรค์แปล ว, ว่าความสุขที่เขาสวยมีความสุขความสำราญตลอดไปพักผ่อนนานแล้วก็ลงมาเกิดเมืองมนุษย์เมือ <c oughs> มนุษย์นี้พึ่งมีปัญญาความฉลาดมีความคิดความอ่านอะไรที่จะเป็นบุญที่จะเป็นบา ที่จะเป็นความดีและความชั่วประการใดบุคคลนั้นเขาต้องใช้ปัญญาคิดอ่านแก้ไขอยู่เสมอในชีวิตของตนบุคคลเช่นนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ยใจเป็นเทวดาตลอดไปจร น, นี่มเม่อเช่ร่างกายนี้เป็นมนุษย์ยใจเป็นเปดอันนั้นแปลว่าไม่ได้คิดได้อ่านอะไรทุกอย่าง เพิ่มแต่ความชั่วให้เกจิตของตนตลอดไปสิมิดจึงนี้คือชัว่วมนุษย์ชเปดโตร่างกายเป็นมนุษย์เต ใ, ใจมันเป็นเปรตนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านคููจะไม่คิดอ่านไดทุกอย่างอยู่ไปกินไปรับไปนอนไปตื่นมาไปอันนั้นมนุษย์ชะที่จะสาโน ร่างกายเป็นมนุษย์เป็ดใจซึ่งสัตว์เสิลสารความดีไม่เกิดความชั่วไม่เกิดมีแต่ความมืดตลอดไปสิ่งนี้กลายแล้วหน้าที่ไปเป็นสัตว์เสิลสารนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านฉัตในโลกทางหลายอยู่ที่มันเป็นตูใหญ่แล้วในเวลาแบบเดียวนี้ปลาในน้ําสัตว์ในบนบก เพราะการในใจเขาเคยเป็นมนุษย์กันมาแต่เป็นมนุษย์แล้วไม่คิดไม่อาจไม่แต่เรื่องการกินกับเรื่องการหาแล้วก็เรื่องการที่ตนของตนทุกคนจะหาอยู่อย่างนั้นตลอดไปถึง น, นี้อันนั้นเพื่อวันนี้ใสปัจจัยความชั่วครอบมําใจของตนตลอดสิ่ง น, นี้ ไม่ได้รับผลความดีประการใดๆในชีวิตของตนให้เราทุกคนจงคิดนึ้งว่าตัวของเราทุกคนบัดเดี๋ยวนี้ได้มาเกิดแล้วได้พบปะพุทธศาสนาัญหาพุทธศาสนาัามันเป็นสมบัติของบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้รู้จักตัวว่าอันนี้สมบัติดีที่สุด หนึ่งเป็นมนุษย์มีความสุขสองเป็นเทวดามีความสุขมันมีความทุกข์ใดๆผู้ที่ตั้งใจรักษาพุทธศาสนาธรรมะของพุทธะที่ได้วางไว้แล้วในโลกตัวของเราให้คิดอ่านพิดเจราิญนาอย่าถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเหลีอยากกินอย่างไรก็กินอยากทำอะไรก็ทําจากไปอะไรก็ไป อยากทำอะไรเรื่องอะไรต่อไปไม่ได้คิดอา่านว่าบุญบาปประการใดๆอันนั้นเพิ่นเรียกว่าม่มีพระพุทธในใจไม่มีพระธรรมในใจไม่มีพระสงค์ในใจมันมีธรรมะในใจไม่มีบุญกุศลในใจมันมีควา ม, ใใ ม, มละอายในใจม่มีความดีอะไรในใจมิแต่เรื่องความโศรอยู่ในใจของตนตลอดไส ใจของตนก็มีหนาที่เพิ่มแก่ของที่เป็นมนตจริงให้ใจของตนก็มืดไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิพนอันนั้นให้เราคิดอ่านในตัวของเราบุคคลที่ไปตกนรกพุตรเจ้าได้วางไว้แล้วพัฒธรรมของพุทธะได้ชี้บอกไว้แล้วบุคคลที่ไปนาลบนาลบนันสําหรับของคนที่ทําความทั่ว สวรรค์มันเป็นของที่คนที่ทําความดีไปพักผรอนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านจนของจนทุกคนในชีวิตวันเดียวนี้กินเพื่อประโยชน์อะไรก็แก่เวทนานอนก็แก่เวทนาเดินไปมาก็แก่เวทนาหลับก็เวแก่เวทนาถ่ายก็แก่เวทนาโยกย้ายไปมาก็แก่เวทนาร่างกายอันนี้ ต้องเป็นอยู่อย่างนี้พุทธองค์คนในวางไห ว, วอิธิบัทชียืนเดินนั่งนอนแปลว่าบริหารร่างกายอันนี้ไปเป็นวันเป็นวันตลอดไปเป็นนิสอันนี้ได้ให้เราทุกคนจงคิดในชีวิตของตนอย่าให้พมพากันเมาความรุ่มหลงความงมงายความมืด อ, อันนั้นมันเป็นหนทางน่าลบหลให้คิดอ่านให้ดี ในชีวิตของตนเดียวนี้ได้มาเกิดพบปะธรรมะของพุท ธ, ธะที่บอกที่แล้วหนทางดีหนทางชั่วประการใดอันนี้ละที่อาจจะมาเตือนญาสินงทุกคนในขันติคือความอดทนวิริยะความเพียรละเว้นจริงความชั่วใดๆ ใ, ในใจของตน จึงจะได้ข th ึ้นชั่วบุคคลผู้เกิดมาได้สะสมความดีเพิ่มเติมบารมีของตนกว่าพวกเราจะได้สำเร็จผลไม่ใช่ได้ง่ายง่ายมันเป็นของยากหนักหนาที่ฉุดให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนตลอดไปจึงจะได้ขึ้นตัวตัวของเราจะได้พกปั ภ พ, พุทธเจ้าบัน ด, ดิตใดๆที่มาเกิดในโลกที่อาจจะมาได้เจอในขันติพอสมควรกับและเวลาอีวังโกมีด้วยภ ก, กาลสาัสจีอายวถโกธนวัฏโกสิลวัฏโกยะวัฏโกภะวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัาพพะ อายุวัฒกาทนวัฒคาสิริวัฒกาเจ้วัฒคาพลวัฒคาวันวัฒกาสุกวัฒคาโหตุตาปทาอายุวันโนสุขังพระลํยัตยดานจงเฮกนั้วิยถา